หทุติยสหเสยศิขาบท 59. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับมาตุคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพท่านพระอนุรุท ธ, ธะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะนอนร่วมกับมาตุคามในทุติยสหเสยศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน